พระธรรมเทศนาแผ่นที่67ลําดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่4มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าภาวนาเริ่มต้นจนถึงที่สิ้นสุด วันนี้เป็นวันที่สี่มกราคมพุทธศักราชสองพหรห้าสวันนี้เป็นวันพระขึ้นส5บห้าค่ำเดือนสองเพนเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเรานี่เป็นตอนช่วงเย็นพวกเราไหว้พระสวดมนต์จบหลวงศักครูนี้ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้ พูดหรือกล่าวแนะนำในเรื่องสิ่งที่พวกเราควรจะได้รับรู้หรือรับทราบในหลักธรรมคำสอนบางเกร็ดบางประเด็นหรือบางที่อาจจะสลับซับซ้อนหรือแบบอันเดียวกันแต่ถึงยังไงก็คือหลักธรรมคำส อ, สอนเราจะต้อง นำมากล่าวมาพูดให้บ่อยๆอย่างที่พวกเราตั้งนโมอย่างนั้นทำให้ตั้งนโมให้จบทีเดียวเลยต่อมาก็ตั้งนโมอีกแต่ถึงยังไงคำความความนอบน้อมของพระพุทธเจ้าก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องพูดจะต้องนอบน้อมผูมมีพระคุณอันสูงส่ง หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ เ, าเหมือนกันมิใช่ว่าเราพูดแล้วจบเพียงครั้งเดียวคราวเดียวแล้วก็ไม่พูดอีกเลยก็ไม่น่าจะถูกถูกแต่ทางว่าพูดซ้ํำซากจนเกินไปก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับคนแก่พูดไม่รู้จักจบพูดแต่เรื่องของเก่าซ้ํำลอยเก่า อันนี้กับผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่ออีกเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรหลวงพ่อเองก็พยายามที่หาแนวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ฟังได้ศึกษาแต่ถึงอย่างไรถึงจะพูดออกไปอย่างไงก็นหนีไม่พ้นทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา สติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาสรุปแล้วหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือในหลักใหญ่ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยคือหลักใหญ่คือจดุดจุดยืนจุดหลักหลักธรรมคำสอน จากนั้นสุดแท้แต่องค์ไหนจะขยายในมุมไหนขยายเรื่องเรื่องของศีลหรือขยายเรื่องของทานขยายเรื่องของทานขยายเรื่องของศีลขยายเรื่องของสมาธิขยายเรื่องสติปัฏฐานสีเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมจากนั้นก็เรื่องมรรคศีล สมาธิปัญญาในมรรคแปดหรืออธิบายเรื่องอนิจจงไตรลักษณ์อนิจจงทุกขังอนัตตาจะอธิบายในมุมไหนที่พวกเราจะอธิบายกันนี่แหละอริยสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมรรคนี่แหละไม่หนีจากมุมมุมนี้ที่ท ที่ได้ที่ไล่ที่หลวงพ่อได้ไล่เลี้ยงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบแต่สุดแท้แต่องค์ไหนจะจับมุมไหนอมาอธิบายแต่หลวงพ่อเนี่ยจะพยายามพูดเกี่ยวกับอันไหนเป็นคืนหนึ่งหนึ่งพยายามพูดเรื่องหนึ่งก้าที่หนึ่งแล้วก็สองสสก้าจนถึงจุดหมายปลายทาง จะไม่กล้าจะไม่พูดถึงอตอนปลายทางจบเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราจะทำยังไงจะทำให้พวกเราท่านทั้งหลายงงงงแล้วก็ไม่รู้จะเดินยังไงเพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อจะพยายามถ้าเป็นฆราวาสญาจโจรก็เออเอาพวกเราให้มีความให้มีความพร้อมเพียงสมวิชให้รู้จักสถานะของตนเองเราเป็นฆราวาส เราเป็นใครเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นลูกเอเราการการอยู่ด้วยกันการวางตัวในความพร้อมเพียงสมัครคีในการอยู่เป็นอยู่อา่าแล้วก็เรื่องอธิบายเรื่องศินสินห้า ส, สำหรับสินคารวาัตพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในสินห้าเน้นหนักเรื่องศินห้าจากนั้นก็เรื่องอ่ทาน การเสียสละการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละมีการเอื้อเฟือ้อเอื้ออารีต่อกันถ้าพวกเราไม่มีน้ำใจต่อกันแล้วพวกเราอย่าหวังเลยจะความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมของพวกเราเรื่องทานเรื่องศีลกับเรื่องภาวนาเราจะนึกคิดเราจะทำจิตใจอย่างไรออจึงจะถูกต้องที่ว่าสัมมาทิฏฐิ ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์พาดำเนินอย่างไรเนี่ยเรื่องจิตเรื่องแนวความคิดเนี่ยถ้าคิดดีแล้วถ้าคิดดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วการกระทําทางกายการให้ทานรักษาศีลก็เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง เพราะว่าคิดดีถ้าว่าคิดที่ไม่ดีแล้วมีแต่คิดเบียดเบียนมีแต่คิดอิจฉาพยาบาทมีแต่คิดอาฆาตจองเวรมีแต่คิดเอารัดเอาเปรียบมีแต่คิดจะทำยังไงถึงจะเบียดเบียนคนอื่นเขาสังหารคนอื่นเขาเนี่ยคิดมีแต่คิดอย่างนั้นและโลกทั้งโลกจะสงบรบเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะนั้นอันนั้นแปลว่าคิดแบบมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิด ไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความเดือดร้อนพุ่นวายแต่ก็อยากจะอาศัยหมู่อยากจะอาศัยคู่คนอยู่แต่พออยู่เข้าไปแล้วก็มีแต่คิดพยาบาทอาฆาตกับคู่คนทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือความคิดเราจะคิดยังไงจึงจะรู้ได้ว่าเราคิดผิดหรือเราคิดถูกอันนี้ก็ พวกเราจะต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเง า, เามาเป็นเครื่องวัดหรือว่าเป็นแนวทางพระพุทธองค์ให้คิดยังไงจังหวสมมัสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะกรรมตตาอาชิวะวายมะสติสมาธินี่แหละอันนี้ก็คือมักแปดของพระพุทธเจ้าท่านให้คิดยังไงมันจึงจะเป็นถึงจุดนั้น นี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายในใช้หลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าไปตัดสรุปเราพูดไปยังไงเราก็ยังหนีไม่หนีไม่ออกตรงตีว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุอแต่ก่อนท่านก็ไม่ได้พูดว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรท่านก็ไม่ได้พูดแต่เมื่อได้ท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนนั้นแล้วนะ่ะ ท่านก็จะอธิบายในเรื่องที่ท่านได้ตัดรู้ในวันนั้น อ, ออกมาประกาศเผยแผ่เป็นธรรมคําสอนพวกเราก็ได้นำธรรมคําสอนออกมานํามาประพฤติปฏิบัติจากนั้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ได้นำธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันนั้น่ะเอ่ยนำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เชื่อมั่น พ่อเดินตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรทีนี้นี่นยจุดนี้จะเป็นจุดที่พวกเราจะต้องได้ฟังต้องศึกษาแหละทีนี้พระพุทธเจ้าท่านนั่งกัจมาธิจากนั้นท่านก็ได้ตรัสรู้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้หลักนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติท่านก็บอกว่า ให้มีสติสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวในอริยบททั้งสี่จะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้รู้ตัวรู้ตัวโดยสม่ำเสมอว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรเราก้าวเดินยางไง เราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้คือให้มีสติอยู่กับใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่แหละว่าสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัม ป, ช, ญญมปชัญญะคือความรู้ตัวแล้วก่อนที่จะพวกมพวกเราจะมีสติสัมปชัญญะตัวนี้ให้แน่นหนามั่นคงขึ้นมาได้เริ่มต้นอย่างไรอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ของเราที่ท่านได้รับธรรมคาสอนมาแล้วท่านนํามาปฏิบัติท่านก็บอกว่าถ้าเราเจะทําให้จิตใจให้เป็นหนึ่งหรือว่าจิตใจสงบนั้นต้องนั่งสมาธิการนั่งสมาธิทำยังไงหลวงพ่อได้อธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังขั้นตอนในเรื่องการนั่งสมาธิก่อนที่ พวกเราจะไหวพระยังไงสวดมนต์ยังไงนั่งขัดสมาธิยังไงนึกยังไงหลวงพ่อก็ได้พูดให้ฟังหลายๆครั้งนะแต่ถึงยังไงก็ห น, นีข่าวนี้ก็ห น, นีไม่พ้นอีกเหมือนกันหลวงพ่อจะพูดแบบรวบรับว่าให้นั่งสมาธิอย่างที่พวกเราจะนั่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเอานั่งสมาธิเลยพวกเราก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายะ จากนั้นเราปรนมมือปนมมือหลวงพ่อก็จะบอนมมือขึ้นระหว่างอกอเมื่อปนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วให้ลําลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้ครูสกปรืคือพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูจากนั้นท่านไดประกาศพระธรรมคําสอนของพุทธะท่านสอนอย่างไรจากนั้นพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นําพระธรรมคําสอน ออกมาประกาศบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะนั้นเราจึงไหว้ครูซะก่อนคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งที่พวกเรานำมาประพฤติธปฏธิบัตินั่งสมาธิอย่างนี้เพราะว่าเป็นพระคุณพระไตรสรณคมทั้งสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวพวกเราจึงได้นํามาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะนั่งสมาธิให้ไหว้ครู เง่าซะก่อนทั้งสามพระรัตนะจากนั้นก็เมื่อไหว้ค ร, มมครูพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆระลึกถึงพระพุทธเจ้าออกมาจากจิตจากใจจริงจริ ง, จ, รงจากนั้นเราจะแผ่เมตตาแถมทอดต่อท้ายอีกอยังได้ข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขวิญญาณไหนก็ตามขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ทําไมเราจึงแผ่เมตตาเพราะว่าเราจิตใจของเราจิตใต้สํานึกนยบางทีมันอาจจะมีการโงหโกห อ, อมีความไม่พอใจในเรื่องต่างๆกับผู้ใดใครผู้หนึ่งมันมีต่างเยอะแยะในจักรวาลในโลกเนี่ยแต่เอาเถอะในขณะที่นั่งสัตขัตธรรมะที่ข้าพเจ้าจะไม่ เออถือโทษโกรธเครืองกับใครๆวิญญาณดวงใดทั้งหมดที่ผ่านๆมาข้าพเจ้าวางไว้ก่อนไม่ให้ถือมาเข้ามาสู่จิตใจของข้าพเจ้าในขณะนี้นี่แหละให้วางไว้ซะก่อนอย่าไปอย่าไปอ็อย่าไปนำเรื่องข้างนอกเข้ามาคิดนะจากนั้นก็เมื่อวางเสร็จแล้วเอามือลงระวางาทับเอามือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วกับริกรรมพุทธ โทนะอันนี้คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนสิทธิอนุสิตของท่านให้บทภาวนาพุทโธแต่พระพุทธเจ้าท่านให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านให้สำทับกับพุทโธเข้าด้วยหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธ อันนี้คือกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจากนั้นต่เป็นองค์อื่นเขาก็แนะนําอย่างอื่นแต่ถ้าแนะนําอย่างอื่นก็เถอะพวกเราอย่านํามาใช้ในช่วงที่เรามาศึกษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้เราให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ของเราแนะนําบอกกล่าวถ้าว่าพวกเรา อยากจะนะอยากจะภาวนาอย่างน้นอย่างที่เราต้องการเพ่งอย่างนู้นกาหนดอย่างนี้เพ่งกระสินอย่างนู้นอภินิหารอย่างนี้มันมีมากที่พวกเราที่พวกเราได้ยินได้ฟังแลวเพ้อเผลอต่อไปมันเป็นบ้าขึ้นมาเลยทีนีเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมามันเป็นอย่างไงจะว่าปฏิบัติตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่นเกิดวิปัสสนุปัปกิเลสขึ้นมาสัญญาวิปลาดขึ้นมามันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะให้คิดว่าเราไปทำยึดอย่างอื่นเข้ามาแล้วไม่ไปตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของของเราแล้วจากนั้นมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราจะมาเท้งให้ปัญหากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นไม่ได้นะการวิธีการของหลวงปู่มั่น ท่านบอกว่าเวลากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะถ้าว่าจิตของเราใจของเรามันเกิดนิมิตขึ้นมาในขณะที่เรานั่งอาจจะเป็นนิมิตเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องเทวบุตรเท ว, วดาอินพรมหรือซากศพหรือพูดผีปีศาจ อะไรก็ตามสิ่งที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นเฉยเฉยก็มีท่านบอกว่าอย่าไปติดตามอย่าไปดูในขณะที่เราเห็นอันนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของนิมิตคือความหมายตนเองเราจะให้ความสําคัญมันให้ย้อนกลับมาหากรรมฐานที่เราตั้งไว้เบื้อ ง, งแรกนิมิตนั้นก็จะหายไปเราไม่ต้องติดตาม แต่ให้ดูใจของเราตลอดหายใจเข้าหายใจออกแต่เมื่อเราภาวนาไปจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบลมมันหมดลมมันหายไม่ต้องตามลมไม่ต้องหาลมอีกปล่อยลมทิ้งไม่ต้องหาลมใครว่าใครรู้ว่าลมหมดให้เอาจิตเอาสติมาจับอยู่ที่คำว่าใครว่าลมหมดให้มาอยู่จุดนั้นเท่านั้นละ่ะไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมด มันไม่ตายหรอกมันมันมันมีความรู้รู้อยู่เตายแคมันตายเฉถ้าเราไม่ภาวนา ม, มันก็จะตายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนี่แหละความไม่ต้องกลัวอยู่นี่ยแหละจิตใจของเราจะไม่พผวักพวบนใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้นี่แหละให้พวกเราฟังเอาไวค้คือจิตจุดสองจุดเนี่ยแหละคือจุดหนึ่งก็คื อ, เ, อเมื่อเรานั่งภาวนาไปแล้วบางคนอาจจะเกิดนิมิต นิมิต เ, เรื่องต่างๆเกิดขึ้นอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปู่มันท่านมาให้ปั้นท่านมาให้ดูถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยเแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าต่อไปภายเมื่อเราภาวนาแล้วมันมีอุปนิสัยคนคนนั้นท่านว่าร้อยในห้าที่จะมีอุปนิสัยอย่างที่ว่าเห็นชอบรู้ชอบเห็นในเรื่องต่างๆ ร้อยในห้าคือห้าคนในหนึ่งร้อยมจะเห็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเมื่อเห็นอย่างนั้นต่อไปภายภาคหนา้าถ้าว่าเราจิตใจของเราสงบดีเป็นหนึ่งแล้วจิตที่มันมั่นคงถาวรจิตที่รู้ทางเข้าทางออกของสมาธิทางรู้ทางเข้าทางออกทางวิปัสสนารู้จักทางเดินแล้วอันนั้นก็จะเป็นจะเป็น เป็นบุญบารมีของแต่ละคนเป็นบุญบารมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ไม่ไม่ปูปับเข้ามาจะแนะนําให้เพ่งอย่า ง, ง น, นั้นนิมิตอย่างนี้ดูอย่างนั้นอันนี้โดยมากจะสําคัญผิดเผลอๆอีกสักหน่อยเลยจะเป็นบุคคลเป็นบุคคลวิเศษขึ้นมาเป็นพิเศษขึ้นมาเหนือกว่าใครผลในสุดนะ่ย ต่อไปก็ตาแข็งเป็นบ้าและได้ไง่ายๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราให้ฟังให้ศึกษาเอาไว้อันนี้ก็คือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสำหรับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้รับการอบรมสั่งสอนมาเรื่องนิมิตเนี่ยท่านไม่ให้ดูไม่ให้เกี่ยวข้องถ้าผู้ปฏิบัติเข้ามาใหม่ท่านไม่ให้ส่งเสริมเลย เว้นเสียแต่ว่าเรานั่งภาวนาไป เ, เป็นนิมิตเห็นตัวเองตายหรือว่าเห็นอสุภะปฏิกูลในร่างกายของเราอันนั้นเราจงต้องดูให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราถึงเราจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นต่อไปภายภาคหน้าร่างกายของเราท่างว่ามันล้มหายตายจากไปไม่มีใครเก็บไม่มีใครเผา อไม่มีใครเก็บซากศพ ข, ของเราเราก็จะเป็นอย่างนี้นะนอนกับพื้นดินเอ ม, ม, มีแมลงวงมีมแมมีแมลงวันมีหมามีสัตว์สาลาสิงมาแทะมากัดเน่าเปื่อยลงไปสู่แผ่นดินเออย่างพวกเราเห็นสินามิอย่างงั้นอ่ะอถ้าว่าคนไม่คนไม่ไปเก็บ่ะเออคนตายเป็นเป็นพันเป็นเบืออย่างงั้นต่อไปเป็นไงมันก็คงจะเน่าจะเปื่อยลงไปสู่ดินนะ้ำมิแต่เห็นโครงกระดูกทิ้งเกลื่อนไปทั้งหมด นี่แหละร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนี้ถ้าเรานั่งภาวนาไปแล้วเห็นซากศพเห็นตัวเองเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็ดูไม่ต้องกลัวอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติเป็นอเนจังของไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้เมื่อเราเห็นเราก็ไม่ต้องไม่ให้ความสําคัญผิดเป็นอเนจังของไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นทุก อนาตตาไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายนี่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวตนของเราแน่นอนถ้ามันเป็นลักษณะนี้จะไปยึดถือว่าเป็นของเราได้อย่างไรไอันนี้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็รวบรวมแล้วแพ่งลงไปหรือกําหนดลงไปให้เห็นเป็นไตรลักษณ์อันในจังทุกขังอนาตาถ้าจิตใจของเรากําหนดดังอย่างนี้มันจะไม่หลงนะมันจะไม่ลืมตัวจะไปยึดอันในจังทุกขังอานาตาเป็นของวิเศษได้อย่างไร ใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ลือถึงจะเป็นนิมิตรเรากดเพ่งมองไปไหนไรลักแต่ถ้าว่าพวกเราทางภาวนาไปแล้วจิตใจมันหายเงียบมันหายเงียบมันหายเงียบไปด้วยอันใดอันใดถ้าหายเงียบไปโดยที่ไม่รู้มันว่ามันไปไหนจะว่าหลับก็ไม่ใช่จะว่าเข้าสมาธิก็ไม่เชิง มันหายเงียไปเลยอันนั้นแปลว่าสมาธิหัวต่อเออเหมือนกับหัวต่อหัวต้นไม้ที่เราตัดต้นไม้ทิ้งแล้วมันเป็นตอไม้เฉยๆเอออันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้ในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนั้นบอกใช้ไม่ได้เป็นสมาธิหัวต่อไม่จุไม่รู้จักทางเข้าไม่รู้จักทางออกถ้าาว่าเป็นสมาธินี่เมื่อเรากําหนดเข้าไปเนี่เข้าเราก็รู้จิต สงบเราก็รู้สติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรามีความรู้สึกดูในจุดนั้นอันนั้นเปลว่าจิตที่เป็นสมาธิแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วหายเงียบไปเลยไม่รู้หลับมันรู้มันหายไปไหนอันนั้นแปลว่ามันเผลอนะ่ะจิตใจมันเผลออันนั้นแปลวใช้ไม่ได้ต่อไปอย่าให้มันเข้าอย่างนั้นอีกก่อนที่มันจะเข้าอย่างนั้นให้กําหนดดูให้ถอย ให้ถอยมากาหนดตัอให้ตั้งสติใหม่อย่าให้มันเข้าไปใ น, ในอีรอบเก่าถ้ามันเข้าไปอีรอบนั้นน่ะต่อไปมันก็จะเข้าไปในอีรอบนั้นอีกอย่างเก่านั่นะมันก็ไม่ไม่มีที่ไปที่มาพราะในสุกนั่งกี่ร้อยกี่พันครั้งกับเป็นอย่างเก่าเพราะนั้นจิตประเภทนั้นเฮอนั่งสมาธิหัวตอนะต้องระวังจุดนั้นอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเรานั่ง เข้าไปสู่ความสงบพอกําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจมันละเอียดละเอียดเลียวหายลมหายหายเงียบไปต่อหน้าต่อตาเอ๊ะมันหายไปไหนลมไปก็พยา ย, ย, า, ยามคนาม้นคว้าลมอีกไปสือพาลมอีกนั่นแหละใจของเราก็จะหยาบขึ้นมาอีกอันนั้นเปโวท่านบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นผิดถ้าเราไปคน้นคว้า ถ้าว่าจิตใจเมื่อใจของเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันหมดมันละเอีย ด, ล ะ, ยดละเอียดเอียดเขาลมหมดไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องไปค้นคว้าหาลมอีกให้ใครรู้ว่าลมหมดลมที่มันหมดไปเนะี่ยใครเป็นคนผู้รู้ท่านผู้รู้หรือว่าใจของเรารู้ให้เอาสติมาจับอยู่ที่ตัวผู้รู้จุดนั้นแหละ รู้ว่าลมหมดให้มาจุดนั้นต้องสังเกตนะแต่บางคนก็ไม่รู้จะหาที่ไหนแสดงว่าอันนั้นมันงงแล้วสินะมันขาดสติแปลว่าสติไม่อยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรากำหนดนะพอมันหายปับนะ๊บเนยเราจะไปหาลมให้หาตัวผู้รู้ใครว่าใครรู้ว่าลมหมดมันมีอยู่อถ้าหากว่าเราไม่รู้เราจะรู้ว่ายงไงว่าลมหมดมันหมดไปยังไง ทำไมมันละเอียดละเอียดเข้าทำไมมันหมดใครรู้ว่าลมหมดมันต้องมีเพราะนั้นให้ย้อนมาหาตัวผู้รู้ว่าใครรู้ว่าลมหมดให้อยู่จุดนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจพออยู่จุดนั้นแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงอันจะไม่อธิบายต่อจุดนั้นก็มันก็จะต้องเข้าสู่ความสงบลึกซึ้งลงไปอีกในเมื่อจิตใจสงบสติกับจิต เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอ น, น, นใดสติเป็นนั้นรู้แจ้งรู้จริงในขณะที่จิตใจรวมสงบนั่นแหละอันนี้คือว่าจิตใจเข้าสู่สมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นว่าสมาธิที่สูงสุดของสมาธิทั้งหลายเออคณนกะอุปจาระอัปปนาเนี่ยเข้าถึงอัปปนาสมาธิแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกครั้งไม่ใช่เออใน เผลิดบางครั้งมันก็ลงได้เว้นเสียแต่ท่านผู้ชํานาญแล้วอันนั้นไม่ว่ากันแต่ทางว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะให้ได้สมาธิทุกครั้งไม่เป็นไปไม่ได้โดยมากจะเป็นอุปจารสมาธิเพียงแต่บังคับจิตให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งไม่ให้ออกไปข้างนอกให้อยู่กับกรรมฐานเพียงแค่นี้ก็โดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่าที่เป็นอยู่ในอุปจารสมาธิเมื่อจิตเข้าไปสู่อุปยะอุปจารสมาธิ เป็นพื้นฐานแล้วกันนำมาพิจารณาทางกรรมฐานเห็นพิจารณาถึงเกสาผมโลมาขนนากาเลพันตาฝันพิจารณาพิจารณาร่างกายของตัวเองให้เป็นของไม่งามเพราะร่างกายของเรามันมีอะไรบ้างที่พวกเราเห็นผลที่สุดมีจุดจบคือความตายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจนี่แหละ ให้ถามตัวผู้รู้คือใจของพวกเราถ้าพวกเราเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายออไม่หลงกายเมื่อไม่หลงกายก็ไม่หลงอย่างอื่นออที่มันหลงทุกวันนี้มันยึดอย่างทุกวันเพราะมันยึดกายว่ากายเป็นของเรากายมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นตามสภาพของมันมันไม่ได้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นเป็นกายของใจนะมันก็ไม่ได้ว่า มันก็แก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดมีแต่ใจของเรานะี่ะไปให้ความสําคัญเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อร่างกายมันแก่มันเจ็บมันป่วยนี่แหละอันนี้ให้พวกเราดูใจใยญ่อย่าหลงร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องไปตามสภาพแต่เราพยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดอันนี้ก็คือเป็นยานหรือว่าเป็นพาชนะที่เราจะเดินไปสู่มรรคผลผนิพพานก็ต้องมีร่างกายนี้แต่ก็ไม่ใช่นะ อีกสักวันหนึ่งนะรถคันนี้นะทิ้งแน่ๆนะเ อ, อมันไปไม่นานนะมันถึงไม่ถึงเอไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะบางครั้งนะอแต่บางครั้งก่อนนะ่ะเ อ, อท่านก็ถึงจุดหมายปลายทางก็กคือร่างกายของของเราเนี่แหละแต่อย่าหลงนะร่างกายเนี่ยอีกสักวันหนึ่งนะ่ะทิ้งแน่นอนนะไม่เป็นอย่างอื่นนะเผาไฟทิ้งนะฝังดินทิ้งนะทึ้งจะไม่เธอก็ตายสู่ดินล้ามลงไปถ้าทางว่าเกิดศึกสงครามแนะละโรคระบาด เรื่องว่าศีลนามิ่างนั้นหรือว่าตายในท้องทะเลนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นในยุคปัจจุบันเนี่ยดันั้นสรุปลัก็คือให้เห็นกายกับใจใจกับกายจากนั้นทำทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในกายจากนั้นพิจารณากา ย, เ, ยเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจ นี่แหละความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ได้หาที่ไหนนะเออสรุปแล้วก็คือเข้ามาหาใจแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาหาจุดนี้นะไม่ใช่ธรรมดาเออหาไม่ไม่ถูกท่องถูกทางกิเลสมันปิดบังไว้หมดกั้นไว้หมดเพราะมันไม่อยากจะให้เราเอเข้ามาหาหลังของมันเพราะมันอยากจะให้พวกจิตใจของเรานะ่ยลุ่มหลงมัวเมา หลงในกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ตลอดเป็นอนันตการแต่ถ้าเราใช้หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเรามีความถึงจะยูเกิดไปกี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันกี่แสนชาติก็เถอะถึงจะร่ํารวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะเราเห็นไม่เศรษฐีในเมืองไทยของเราเ อ, อีแล้วใครบ้างที่จะไม่ตายตายอย่างนั้นใช่ไหมตายแล้วหาความสุขได้ไหมก่อนที่จะตาย คนที่มั่งมีซีสุขตายก็ยิ่งเกิดภาวะภาวนาต่างหากห่วงนั้นห่วงนี้อีกต่างหากมีต่างเยอะแยะเรื่องราวที่จะต้องทำให้เป็นทุกข์เป็นร้อนในจิตในใจนี่แหละมันมีสุขไม้อย่างนั้นไม่สุขนะใจนะเราต้องนึกทบทวนบอกกล่าวใจของของเราเองนะให้รู้แจ้งให้รู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องต่างๆจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจใจไม่ยึดมั่น ใจไม่หลงตัวเองใจรู้แจ้งเห็นจริงใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายนิพพิธาเบื่อหน่ายคลายจิตใจขอหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ปฏิบัตินับหนึ่งตั้งแต่สมาธิบาานะสมาธิเดินสมาธิเดินยังไงกำหนดยังไรจากนั้นก็นเดินปัญญาพิจารณาอะไร เดินวิปัสสนากำหนดดูจะ ง, ง่ายเรื่องสมาธิอย่าไปเพ่งมองอย่าไปติดใจเรื่องนิมิตอย่าไปให้ความสาคัญเรื่องนิมิตนะเรื่องมีมเป็ น, เ ป, นเป็นความหมายท่านเองเราลืมตาแล้วก็ต้องเห็นตั้งแต่ก็นั่งรถขึ้นไปเลยนั่งรถไปสิไปจากอุดรไปกรุงเทพจากนี่ไปกรุงเทพเราเห็นอะไรบ้างที่เราเห็นมันเป็นของเราใช่ไหม ว่าจะเห็นจะสักว่าเห็นนะจะไปหายิ้วว่าเป็นของเราได้อย่างไงเห็นจะสักว่าเห็นเนี่ยเพราะฉนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนิมิตก็เหมือนกันเห็นก็สักว่าเห็นอย่าไปให้ความสําคัญในเรื่องนิมิตนิมิตทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนในจังทุกขังอนัตตาทั้งหมด่ะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปวินิจวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงกายใจของพวกเรา ถ้ามีปัญหาอยากจะรู้ถามออนะก็ถามได้แต่ถามไม่จริงนะให้ปฏิบัติดูก่อนนะเให้ปฏิบัติดูซะก่อนมีอะไรสงสัยยังไงเกนะ็คอยมาถามหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะให้คําแนะนําถ้าหลวงพ่อรู้นะอืแต่ก่อนหลวงพ่อบอกเออถ้าลูกหลานผู้ใดอยากจะรู้อัดรู้ทำถ้าหลวงพ่อตอบไม่ได้เ อ, อจะพาไปหลวงตาหลวงพ่อกัน เดี๋ยวนี้ไม่มีหลงตาเลยวชไหมไม่มีหลงตาแล้ ว, ลลวถ้าว่าใครมีสงสัยยังไงเอ้ามาทำหลวงพ่อจะให้ความช่วยเหลือสุดความสามารถของหลวงพอ่อหลวงพ่อจะพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมต่อไปนั่งภาวน า, นาท่นนี้นะ